ติกาปฏิมานัตะว่าด้วยมานั์เพื่ออาบัตสามตัวท่านพระอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวหนึ่งปักละกระผมนั้นอยู่ปริวาทแล้วกระผมจะปฏิบัติอย่างไร